มีเจตนาอย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่7ภิกษุจงใจพยายามเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อทดลองเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อความสนุกน้ำอ ส, สุจิเคลื่อนต้องอบัดสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายามเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อความหายโรคเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อความสุขเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อเป็นยาเพื่อสืบพันุ์และเพื่อเป็นทานเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อเป็นบุญ เพื่อสืบพันธุ์และเพื่อบูชายัญภิกษุจงใจพยายามเพื่อสืบพันธุ์และเพื่อจะไปสวรรค์น้ำอสุจิเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ